Bangkok Radio Formen โดยวิทยาแสงอรุณพี่หนอก 2 แล้วเร็วแล 28 พฤศจิกายน 2553 นะครับฟังของเราได้ที่ฟังของเราได้ที่ www.nationradio.co.th นี่คือฟังสดๆทาง แหกครับเอ้ยแหกเข้าไปได้ถึงนั่นนะฮะก็ฟัง ให้ m ด้วยโอเคเดี๋ยวขอพิมพ์ใน okay. <เอ อ. S 2> m นิดนึงนะจะมีเสียง ก็การสถานที่ที่ต้องแวะไปเพราะว่ามีสกุลชาติมี 0845306969 เป็นสายที่เค้ารับอย่างเดียวไม่รุกนะสายเนี้ยรับอย่างเดียวแล้วก็ทั้งหน้าต่างๆรับก็ใครที่ อ่าสวัสดีผู้ฟังคนใหม่ก็เลยแบบ ถึงเที่ยงคืนคืนนะครับก็จะมีพี่วิทยามี BKK มันไม่ต้องเว็บพี่น้องไม่ F A N C L U B แล้ว B L O G S POTboxspot.com นะครับคุณก็ MP3 MP4 อะไรคุณก็ๆค่ําๆแต่แนะ ตอนหน้าทางตกเก้าอี้ขี้แตกเออนะคุณขับรถระยะทางไกลๆเนี่ยก็เอาไปฟังรายการของเรา Facebook อยู่ 1 พี่โหนกจะไป Facebook ประมาณฉันมี Facebook อยู่ 2 ส่ําอั้นมี 2 อันเอาไหนดีๆแล้วกันๆก็คือ Facebook ของฉันก็ @hotmail.com ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ K H U N N อันนี้คือแอดเข้ามาเลยด้วย Hotmail ตัวนี้นะครับก็จะเจอ Facebook ของพี่โหนกนะครับอืม 10 เนี่ยเดี๋ยวฉันจะหาเธอคุณนิด เกี่ยวกับกันแล้วใครที่อ่ะคนนี้พี่โนเค้าจังทารุนะไอ้จัง I Go Crazy Because of You นะก็เป็น 2 ซึ่งน่ารัก มาชนะอินเตอร์เนชั่นแนลชนะที่เมืองไทยก็เลยไปดังที่ญี่ปุ่นตลกมั้ย Miss Queen เลือกรอบความสามารถพิเศษนักเขาญี่ปุ่นมา ถ้าดูไป อ่าเป็นไงล่ะนี่เปิดคือว่าจะคล้ายๆวิคิซเปียมั้ยอืมเปิดสดๆจากนี้เลยนะคล้ายๆวิคิซเปียอืมครับคล้ายๆแล้วถ้าเต้นเถิดก็ คุณเป็นแค่ของกินเล่นเป็นแค่ของกินเล่นเออคุณจะรู้สึกยังเอออยาก ก็อย่าจะดีใจหรอฉันว่าดีใจดี ก็จะมีความสุขใช่มั้ยใส่ถุงกลับบ้านเออไม่ใช่แบบว่ามันอย่างโฆษณาอะไร Digital Gateway เมื่อ 23 นะ Digital Gateway เลยเหรอใช่ 2 หนุ่ม หลากหลายสีนะครับก็จะเป็นโครงการที่เรียกว่าคิดกันไว้ อ่ะระหว่างนี้ยังไม่มีใครโทรเข้ามาๆคุณจะเห็นตู้น้ําหยดเหรียญเออที่เจอ คือเราจะบอกหลักเกณฑ์ในการเติมน้ําไม่ใช่คุณเข้าไปถึงคุณอ้าวๆๆๆแล้วอย่าลืมว่าคุณอยู่อพาร์ทเมนต์คุณก็ไม่ได้ ตรงไหนสลากของของว่าตู้นี้สะอาดตู้นี้ทําความสะอาดไปเมื่อวันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ว ผ้าหรือเอาอะไรที่คิดว่าสะอาดสะอาดครับเช็ดตรงจุก อะไรครับชื่ออะไรจ๊ะน้องเปียครับผมน้องเปียเหรอจ๊ะครับเบียร์ยี่ห้ออะไร งงน้องงงน้องงงเจอมุกชั้นโมเจออยุธยาครับอุ้ยจริงดิอยุธยานะไม่ใช่ ครับผมอ่อแล้วๆๆๆๆครับคือปรากฏว่าแถวในเมืองไม่ค่อยอ่ะชัดอยู่อ่ะวันนี้น้องใช่มั้ยครับอือ แต่ท่าเค้กจริงๆแล้วจริงๆแล้วทําไมจริงๆที่เราชอบอะไรเงี้ยอ๋อถ้าเปรียบเทียบน้อง นึกไม่ออกนึกไม่ออกทองหยิบทองหยอดฝอยทองอืมเม็ดครับซื้อ 1 แถม 1 หรือเปล่าแฮมเบอร์เกอร์อืมไม่ใช่นึกไม่ออกเงียบเออยังไม่ออกครับ เช่นก็ก็ไม่ได้บอกก็ครับไม่ถึงตอนนั้นนะ ใช่ไม่ถึงกับนี้อะไรกันนะครับไม่ถึงขั้นนั้นนะคะไม่ถึงกับมีอะไรกันหรอกค่ะอ๋อก็ยังเค้าก็ยังไม่คุณอือเอ้ออย่าๆวันนี้ไม่ได้ค่ะ เพราะดิวุดีเบียร์ไม่ค่อยมีฟองนะคะอย่างงั้นเหรอบ้าแล้วพูดแล้วแบบบีบ อัญเกียก็เคยก็ยังไม่มีค่ะเบียร์ยังไม่มีแฟนแล้วก็เค้าเป็นเพื่อนครับแล้วเบียร์ต้องการหาแฟนอยู่หรือเปล่าก็นิด 40 คนนิด 20 คน ก็นิดจริงๆนะขอแฟนนิดหน่อยหมายเออแล้วแต่ก็ขอนิดนึงเออเข้าใจถ้าใครเอ่อสนเธออยณ น. 25 แล้วค่ะอืมก็ทํางานแล้วสิทํา 76 ครับอ้วนนะเนี่ยส่วนสูงความถ้วนๆส่วนสูงส่วนสูง 175 ครับแล้วโอเคสมส่วนสะดือเป็นรูปอะไรคะสะดือถ้าสะดือปักอ้วนอือเออเพื่อฉันบอกงี้บอกไม่ถึงขนาด เล็บฝักจึงปักอยู่ค่ะไม่ใช่จะดื้อหนีบเทียนอ่ะตอนนี้ใครอยากเป็น 10 กับมาเที่ยวมีตติ้ง เอามานี่ทํางานด้วยวันหยุดนะนี่แหละก็ดูแล้วกันลองดูนะโอเคขอบคุณ โอเคเมื่อกี้เค้าบอกเป็นกระป๋องเป็นขวดก็ไม่รู้นะแต่มาฟังท่านนี้ MSN นะครับ แต่ผมมองคนในแง่บวกเสมอคนนี้นะเอออืมถ้าเกิดเค้ามาเรียกเรียกว่าเราเป็นของ ขนมจีบค่ะขนมจีบเหรอคะน้องค่ะทําไมหนูวันนี้เสียงซอๆจังอ๋อไม่เนี่ยอะไรไม่ค่อยค่ะเราดูไม่ทําจับจับใจจับใจ ค่ะเคยโดนใครมาบอกมั้ยว่าหนูอ่ะเป็นของกินเล่นเอ่อไม่เชิงไม่เคยนะคะไม่เชิงไม่เคยไม่เออเนี่ยเดี๋ยวเค้าต้องการเค้าจะโทรมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ้โหคุณพูดคุณ แต่จริงๆขนมขนมจีบนะพี่โหนน่าจะเป็นจานหลักนะเออเออพวกแบบไก่ทอดเอ็นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเป็นของกิน ก็เห็นอะไรคล่อมอ่ะแบบนั้นๆเออแล้วอ๋อไปเฉาะๆบ้านอยู่เนี่ยแหละอ๋อเหรอเดินไปเดินมานี่ก็แบบเข้าอย่างเงี้ยสําเร็จอ๋อแล้วแซ่บมั้ยค่ะอืมหนูเวลาเวลาไปเจอตาม หนูก็ไปนั่งแล้วหนูก็แบบเออเนี่ยถามว่าเชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมหนูก็เออถ้าหนูถือคติวัธนาดได้อายอดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วนั่นได้อายอดตอนนั้นหนูสดยาดองไปเยอะยังอ๋อหนูไม่ใช่ตอนหนูนั่งเฉยๆหนูไปสอยคน ใครมาสั่งโดไม่รู้ร่มนี่หนูจะส่งตากระต่ายปิ๊งๆ โซนรังสิตนี่แหละค่ะอ๋อแล้วมันมีเยอะมั้ยล่ะแล้ว 10 ล้อร้านนี้มาแนวหนุ่มโรงงานร้านนี้ ร้านร้านไหนแซ่บกว่ากันคะมันก็คนละโพลละแบบอ่ะค่ะอ๋อหมายความว่าวัน แค่ใช้ปากให้เฉยๆอ่ะครับอ๋ออ๋ออืมคือคุยกันไงคะ เออที่น้องสระเปานี่ใช่ๆน้องสระเปาที่เค้าเหมือนแบบว่าเอ่อไฮเปอร์ตลอดเวลาเออเค้าอยู่ อ่าๆๆอ่ะอ่ะน้องฮาฟเองนะครับน้องฮาฟวันนี้จะคุยในครับผมอ่ะน้องฮาฟคือใครบางคนบอกว่าฮาฟเนี่ยเป็นอืมมันจะรู้สึกยังไงอืมเพราะแสดงว่า แต่เอาของกินเนี่ยชิโนคงคงน่าลิ้มลองค่ะพอถึงมากินแล้วเออเออก็อีกกลุ่มนึงเนาะเออๆๆต้องแต่จริงๆนะครับเพราะบางบางทีของที่อืม ส่วนของไปโรงหนังแล้วก็คือต้องซื้อติดมันตีนหมดกับไปกินเอออืมอ่าสังเกตโดยส่วนใหญ่อืมแสดงว่าอร่อยใช่มั้ยแล้วโรงอืมขนม ขนมอะไรอ่ะอืมบอกชื่ออีฮอนั่นโอเคอ่าเป็นมันฝรั่งว่าทําไมถึงเรียกว่าคิดว่าตัวเองเป็นมันฝรั่งอ่ะอือชื่อก็บอกครับว่ามันมันมันอร่อยครับมันอร่อย อืมบ่อยนะครับมีบ้างครับมีใครมากินเล่นบ่อยแล้วมีมีก็ผมมักจะบริโภคของกินเล่นที่ค่อนข้างมีประโยชน์ครับอื้อเออมีมี ช่วยช่วยเคยขายฟาร์มนิดหน่อยไม่ทราบว่าไงจ๊ะทางสิ่งไหนน่าคิดแล้ว ไม่ไม่ไปตามเขาอืมดิน 1 ครับต้องใช้ไม้แขะอ้าวอืมลืมหรือยังครับอืมมีโทรมาบ้างครับแล้วก็หายไป อ่ะวันนี้นะครับน้องฮับฮับซึ่งเป็นของกินเล่นที่ไม่สําคัญแต่ขาดไม่ได้ไปใช่มั้ยพี่โหนไม่เท่าไหร่หรอก เธอขอสัมภาษณ์ด้านร้านยาดองหมดอ่ะน้องคาฟก็จะต้องการหาเพื่อนครับอ่ะบังเขนะๆนะครับทุ่ม ปกติเรื่องงานเริ่ม 200 น. อ่ะครับโอยมาทันน้องทมเทก็เลยตัวนี้บอกบอกบอกแอเรียใช่มะแอเรีย 9 เพชรบุรี 9 กับเอออะไรอย่างเงี้ยครับผมนะ 2 ครั้ง 3 ครั้ง แล้วถ้าโอกาสครับเดือนละ 2 แลครั้งแล 3 ครั้งแล้วมีขนมติดมือกลับบ้านป่ะก็มีบ้างครับเล่นเนาะถึงตอนกลางดูแลตัวเองด้วยนะอย่าลืมนะที่บ้านเนี่ยนะอย่าเมา มีคุยกับอีเวรันหรอกแต่เพื่อนเพื่อนให้เป็นเพื่อนอ่าแล้วมีอีกแล้วคือเขาเป็นเป็นเกมเหมือนกันนี่แหละ ก็เลยไป 7-Eleven อืมพอซื้อประมาณ 15 กล่องได้มั้งอืมกล่องละ 30 นี่แพงนะเดี๋ยวเป็นยี่ห้อแล้ว 2 คอนดอมอ่ะใส่ในโหล ทางนึงนะฮะคือผมขอเองไม่คิดอะไรนะคือปีมั้งครับประมาณ 27 อืมครับอือแล้วก็โทรมาๆว่าเค้าโทรมาทําบอก แล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกเหมือนกันแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนละเรียนตั้งแต่นี้เค้าไม่เห็นพูดถึงพูดถึงผมให้เค้าฟังเลยอืมบอกก็ไม่ได้สนิทมากอะไรเงี้ยเพื่อนของเพื่อนนั่น เพื่อนของท่านผมอ่ะผมก็รับของผมนั่นแหละมีไว้ป้องกันอะไรเงี้ยผมมีอะไร 5 มันหยุดหยุด อ่าสมเด็จนังแต่หาดได้ดูไปแล้วใช่มั้ยของดูไปแล้วครับก็ต้องดูผมจะช่วยเขาไปในงานด้วยแต่ยังอืมน่ารักใช่ป่ะยังไงยังขอบคุณนะ